ในอัฏฐาสูตรนะครับในข้อสองสี่สเอ็จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุด้านข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายอัฏฐาสามอย่างนี้สามอย่างเป็นไฉนคืออตีตะอัฏฐาหนึ่งอนาคตะอัฏฐาหนึ่งปัจจุบันอัฏาหนึ่งดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายอัฏาสามอย่างนี้แหล คําว่าอัฐานี่นะครับเป็นบัญญัตินะครับไม่ใช่ปรามัตดนะครับเพราะว่ากาละเนี่ยนะเป็นคําว่าการเวลาเนี่ยนะเป็นเรื่องของบัญญัตินะครับแต่ตัวปรามัตดจริงๆนั้นนะครับก็ที่มันไม่มีแล้วชื่อว่าอาดีตนะมาบัญญัติว่าไอ้ที่สภาวะปรามัตดนั้นหมดไปแล้วนี่เรียกว่าอาดีตสภาวะปรามัดที่ยังไม่มาถึงอันนั้ น, นเลยบัญญัติว่าอนาคต สภาวะประมาทที่กำลังมีอยู่เนี่ยบัญญัติว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นคําว่าอัฐาเนี่ยเป็นชื่อของบัญญัตินั่นเองนะครับปัจจุบันน่าอัฐาเนี่ยรวมๆแต่อัฐาเนี่ยนะโดยศัพท์แปลว่าเวลานะครับนะการเวลาทั้งหลายนั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มีความสำคัญในสิ่งที่พูดกันตั้งอยู่เฉพาะแล้วในสิ่งที่พูดกันย่อมเข้าถึงข่ายคือความชิบหายและข่ายคือกิเลสเครื่องประกอบมัจจุเพราะไม่กำหนดรู้เรื่องที่พูดกันนะครับ คือเนื่องจากไม่มีปริญญา3เนี่ยนะครับเวลาพูดคุยกันก็พูดกันด้วยตัณหามานะและทิฐิสําคัญว่าเราว่าของเราในการพูดคุยกันไปเรื่อยเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อพูดไปในลักษณะนี้เนี่ยนะครับอกิเลสตัณหาก็มากขึ้นก็เหมือนกับยิ่งพูดมากกิเลสตัณหามันก็เหมือนกับตะข่ายเนี่ยมันผูกมันมัดมันรัดไปหมดนะครับในที่สุดก็เข้าสู่บ่วงแห่งความตายนะครับคือไม่ใช่ตายชาติเดียวนะมันก็ตายอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับ เนื่องจากไม่ได้รอบรู้ในสิ่งที่พูดเลยนะครับพูดถึงอะไรก็ไม่เคยทําปริญญาในสิ่งนั้น น, น, นั้นเลยยกตัวอย่างเช่นพูดถึงพ่อก็ไม่เคยเอาพ่อมาทําปริญญาสามเลยนะครับพูดถึงแม่ก็ไม่เคยเอาปริญญาสมาคิดถึงญาติเพื่อนสถานที่อยู่รูปเสียงกลิ่นรถทั้งหลายแหละที่คุยคุยถึงเนี่ยนะครับไม่เอาสิ่งนั้นมาทําปริญญาสามเลยพอไม่เอาพูดถึงทีไรก็เหมือนกับเอาข่ายเนี่ยไปผูกตัวเองไว้กับอารมณ์นั้นๆ น, น, นะครับ มันก็ถูกตาขายคือตันหาและที่ที่เพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่บ่วงแห่งมัจจุราชอย่างเงี้ไปเรื่อยพระขีนาศย่อมไม่สําคัญผู้บงการเพราะกําหนดรู้เรื่องที่พูดกันคือทําปริญญาหมดเพราะถูกต้องวิโมกด้วยใจท่านรู้สันติบทอันยอดเยี่ยมพระขีนาศนั่นแลพูดถึงพร้อมแล้วด้วยเรื่องที่พูดกันระงับแล้วยินดีแล้วในสันติบท พิจารณาและมีปกติเสพตั้งอยู่ในธรรมผู้ถึงฝั่งแห่งเวทคือสัจจะสีย่อมไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นมนุษย์และเทวดาเพราะฉะนั้นภาาหันทั้งหลายก็ไม่ต้องไปหาว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านเนี่ยทำปริญญาหมดแล้วนะครับในสิ่งนั้นๆที่พูดกันเนี่ยนะอารมณ์ไหนที่ท่านไม่ทําปริญญาบ้างไม่มีนะครับเพราะท่านทําปริญญาเลยและหมดแล้วท่านจึงไม่มีวิปลาสในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้ น, น, นทั้งหมดนะครับ เมื่อท่านไม่มีวิปลาสในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดท่านก็เข้าถึงอมตะบทนะครับคือบทที่ไม่ตายก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วก็หมดที่จะเรียกว่าใครแล้วนะครับอัตกถาอัตตาสูตรการเวลานะครับกาละหรือเวลานะชื่อว่าอัตตาอัตตานั้นมีอยู่สองปริยายนะครับคือตามสองปีด ก, ก น, นะคือตามปริยายนของพระสูตรและตามปริยายของพระพิธรรม คือตามอภิธรรมมณไนและสุตตันตไนนะครับแบ่งออกเป็นสองไนนะครับในรบรรยายนสองอย่างนั้นการบรรยายตามพระสูตรหรือว่านิยะตามพระสูตรเนี่ยนะครับเวลาก่อนแต่ปฏิสนธิการชื่อว่าดีคือก่อนมาเกิดในชาตินี้นะครับตั้งแต่จุติของชาติที่แล้วถอยหลังไปต้นไปเนี่ยนะไปเนี่ยชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอตีตอัทธาชาตินี้นะจุติเมื่อไหร่นะหลังจากจุติชาตินี้ไปแล้วเรียกว่าอนาคตอัทธา ระหว่างปฏิสนธิกับจุติคือรวมทั้งจุติและปฏิสนธิของชาตินี้ทั้งหมดเรียกว่าปัจจุบันนัอาธาเริ่มแรกนะับตั้งแต่ปฏิสนธิของเราครั้งแรกนะครับจะจุติต่อไปข้างหน้านี่นะตั้งกันนี้รวมทั้งหมดเรียกว่าปัจจุบันอัอธาอันนี้เรียกว่าตามปริยายแห่งพระสูตรส่วนตามปริยายตามพระพิธรรมนะครับคืออภิธรรมมณีเนี่ยนะ เวลาที่ดับไปแล้วตามธรรมดาเพราะผ่านขณะทั้งสามเหล่านี้คืออุปาทถีติพังคะหมดไปแล้วเนี่ยหมดอุปาทถีติพังคะไปแล้วเนี่ยชื่อว่าอตีตอาาัตตาคือสิ่งที่ยังไม่ถึงขณะทั้งสามเนี่ยยังไม่มีอุปาทถีติพังคะเลยนะอันนั้นเรียกว่าอนาคตอาาัตตาเวลาที่พรั่งพร้อมไปด้วยขณะทั้งสามเนี่ยชื่อว่าปัจจุบันนัอัตตายกตัวอย่างเช่นนะครับว่าจิตหนึ่งดวงเนี่ยประกอบด้วยอุปาทถีติพังคะเช่น ปัญจทวาราวชนะจิตก็มีอุปาท่าทีติพังคะจักขูวิญญาณก็มีอุปาท่าทีติพังคะสัมปติชนะก็มีอุปาท่าทติพังคะสัน ต, ติรณะเป็นต้นกน็ในยะเดียวกันรูปทั้งหลายก็เหมือนกันทีนี้ไอ้ท่าจากักขูวิญญาณที่กำลังเป็นไปกับอุปาท่าหรือทีติหรือพังคะอยู่อันนั้นเป็นปัจจุบันปัญจทวาราวชนะที่หมดไปแล้วเนะีชื่อว่าอดีต สัมปติชนะที่จะเกิดต่อไปนั่นเรียกว่าอนาคตนี่เรียกว่าอภิธรรมมันไหนจะแสดงลักษณะนี้นะครับเอาเป็นขณะขณะเป็นดวงดวงไปเลยนะครับครับถ้าหากว่าขนาดที่อุปาทะเกิดขึ้นทีติขนะก็เป็นอนาคตอาทาร อ, อ๋อไม่ครับเพราะว่าทั้งอุปาทะทิฏิพังคะาในดวงเดียวกันเรียกปัจจุบันหมดเลย คือดวงก่อนนั่นแหละจิตดวงก่อ น, นเรียกว่าอดีตนะครับจิตดวงที่จะมีต่อไปเรียกว่าอนาคตนะครับอันนี้โดยอภิธรรมมณีนะครับในแง่ของสติปัฏฐานเนี่ยนะเขาหมายถึงปัจจุบันปัจจุบันอัฏฐาต ร, ตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นอ อ, อะไรอะขณะอนะนุขณะของของของจิตใช่ไหมครับที่ที่มันถือว่าเป็น วิปัสนาหรือเป็นสติปัฏฐานเนี่ยที่ได้ยินทั่วๆไปคือถามว่าวิปัสนาเนี่ยนะเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอารมณ์หรื อ, อผมถามนิด น, นึงผมจะถามหากิติกูนั่นมาถามเพื่อน น, น, นะว่าเออนี่วิปัสนาเนี่ยมันเป็นปัจจุบันใช่ไหมเขาบอกว่าใช่นี่ผมถามต่อไปว่าเออจิตปัจจุบันหรืออารมณ์ปัจจุบันเป็นวิปัสนา เขาบอกไงอารมณ์ปัจจุบันเรียกเป็นวิปัสนาเขาบอกกันคือตั้งคําถามใหม่นะทําไมวิปัสนานี้เป็นปัจจุบันใช่ไหมใช่ทุกคนจะตอบว่าใช่หมดถามว่าหมายถึงตัวอารมณ์หรือตัวปัญญาที่ไปพิจารณาเป็นปัจจุบันเน้นอารมณ์หรือเน้นปัญญาเพราะว่าถ้าอารมณ์ปัญญาบางอย่างมันไม่ได้เกิดพร้อมกันอะไรเขาบอกว่าอารมณ์นะครับ แต่ที่จริงแล้วผมก็ยกที่อื่นมาอ้างว่าอา้าแล้วเขาบอกว่าวิปัสสนามีอารมณ์เจ็ดล่ะนะครับในอัตถกถาสามัญญผลสูตรนะทีคณิกายบอกว่าเออวิปัสนาเนี่ยเป็นอติอารมณ์อนาคตอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์อารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกอารมณ์ที่เป็นปริตะอารมณ์ที่เป็นมหคตะแล้วมันเป็นยังไงนะเขาก็เงียบนะครับไอเงียบนี่เขาว่า เพราะว่าเราใช้หลักฐานพูดนะนะท้าก็รู้แล้วว่าเรานี่ลองเขาแล้วนะครับจริงแล้วก็ถามไปอย่างนั้นนะเพื่อจะเกื้อกูลเขาเนะอันที่จริงแล้ววิปั ส, สนานี่นะครับตัววิปั ส, สนาเนี่ยเป็นปัจจุบันว่าต้องเจริญขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นแต่อารมณ์ที่พิจารณาไม่เกี่ยงว่าเป็นอดีตหรืออนาคตหรือเป็นปัจจุบันไม่มีความจําเป็นเลยว่าต้องอดีตเท่านั้นหรืออนาคตเท่านั้นหรือปัจจุบันเท่านั้นเพราะอะไร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในกาลละทั้งสามถามว่าในกาละทั้งสามคืออะไรบ้างคืออดีตอนาคตและปัจจุบันนีบางคนก็บอกว่ า, าวิปัสสนานี่อารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเราก็ถามว่าเออวิปัสสนาภูมินี่อะไรบ้างทุกคนก็บอกว่าขันธาตุอายตนะหรือปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นใช่ครับทีนี้ถามว่าเออแล้วขันเนี่ยนะด้วยเหตุเท่าไหร่จรึงชื่อว่าขัน เพราะเหตุที่มันกองอกองกองอะไรบ้างกองที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอ้าวขันก็เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่ฉะนั้นจึงวิปัสสนาภูมิคือขันธาตุอยชนะเนี่ยจึงไม่ได้ขัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นตัววิปัสสนาเนี่ยนะต้องเป็นปัจจุบันคือวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญานะปัญญานี้ต้องเกิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องรองเมื่อไรยรอก ที่จะเจริญปัญญาอันนี้เนี่ยนะแต่อารมณ์เนี่ยนะครับทั้งอดีตก็ได้พิจารณาอารมณ์อดีตก็ได้อนาคตก็ได้แล้วก็ปัจจุบันก็ได้แล้วปฏิจจสมุปบาทละ่ะอวิชากับสังขาร น, นี่เป็นอตีตอัตตาใช่ไหมถ้าใช่ชาติชารามรณะเป็นต้นเป็นอนาคตอัตตาใช่ไหมใช่ระหว่างนี้เป็นปัจจุบันอัตตาใช่ไหมใช่ฉนั้นปฏิจจสมุปบาทก็ยังเป็นอารมณ์ของวิปัสนา เพราะฉะนั้นวิปัสสนานั้นไม่ได้เน้นอารมณ์ปัจจุบันอย่างเดียวรู้ทั้งที่เป็นอดีตรู้ทั้งที่เป็นอนาคตรู้ทั้งที่เป็นปัจจุบนันรู้ทั้งที่เป็นภายในรู้ทั้งที่เป็นภายนอกนะคบรอบรู้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ขับเน้นอารมณ์ปัจจุบันหลอกนะครับแต่ว่าจะมีนะวิปัสสนาชั้นสูงนะครับคืออุทยพยญาเนี่ยพิจารณาปัจจุบันจริงนะครับว่าต้องพิจารณาปัจจุบนัน แต่ว่าปัจจุบันแบบอุทยพยัญานนั้นจะต้องผ่านตรรณปริญญาผ่านการทําวิจัยมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าโอโ้โหให้อะไรมันปุ๊บไแป๊บโอ้โหเลยมันหายไปอย่างรวดเร็วโอ้นั่นแหละเกิดดับมืนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเกิดดับแบบในคัมภีร์กับเกิดดับที่เขากล่าวบางทีก็ไม่ค่อยมีความตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมศรัทธานนะถ้ารักจะเจริญนิพพานนาตามพระไตรปิฎก ควรที่จะหาข้อมูลหรือหาสูตรให้พอเพียงก่อนค่อยเจริญนะครับนะหรือว่าใครที่สามารถแนะนำตามแนวคัามคิดได้ก็ไปเรียนกับเขาแต่ก็พยายามสอบสวนให้ดีนะครับเพราะว่าไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะครับก็บรญยติกระบวน่ามาแตกต่างแตกต่างกันนะครับนะนะตามความรู้ความเห็นของตัวเองนะครับแต่ผมไม่ค่อยศรัทธาอย่างหนึ่งคือ ผมว่าเอาศีลมาตั้งกระต้นมาตรวจ ด, ดูแล้วนะครับศีลและพิสูจน์ที่มันก็ขาดตั้งกระต้นก็เลยไม่ไ ม, ไม่ทำให้ปรักใจกับสายไหนมากนะนะครับเอาเอาอะไรเอาปาติโมกนี่แหละครับไปตรวจ ด, ดูเถอะนะครับไม่ต้องเอาเลยไปหาขันทกกะหรอกครับแค่ในปาติโมกก็ดูว่าจะมีปัญหาตั้งเยอะแยะแล้วทีนี้ยิ่งเอาในขันทกะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้หันกลับมาศึกษาตามพระไตรปิฎกดีกว่านะครับ แต่ทีนี้คนที่ชอบอย่างเรื่องปัจจุบันเนี่ยเออนี่อะไรกําลังปรากฏนี่ก็เรียนรู้ไปพิจารณาไปถ้าอย่างนี้นะครับมันเป็นสูตรสําเร็จที่ปรุงกันง่ายๆไม่ยากนะครับแล้วสอนก็ไม่ยากผู้ทําตามก็ไม่ยากแต่ถ้าเจริญไปมากๆผมไม่แน่ใจว่าจะใกล้ชิดคําสอนหรือเปล่านะครับเพราะถ้าคนที่เป็นแบบนี้ไปก็ไม่อยากแม้กระทั่งจะฟังทำไม่อยากจะเรียนรู้ภาคพิสดารขึ้นนะครับก็จะหาคนบรรยายแต่แบบที่ตัวเองกําลังทําอยู่นี้เท่านั้น นานๆเขาก็จะเสื่อมจากพระศัทธรรมนะครับ <ไป S 1> ตกไปจากไตราสรารณคมนะครับหนักๆเข้าก็ปฏิเสธบอกนั่นปริยัติชั้นต้องปฏิบัติเชื่อไหมว่าปฏิบัตินี้ไม่อยู่ในธรมมังสา ร, รนังขะฉ า, ามิเลยนะครับแต่การปฏิบัติเพื่อบูชาธรรมมังสรรารนังขะฉ า, ามิเท่านั้นนะครับต้องแยกว่าอะไรคือสรราระอะไรคือส่วนตัวส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับมันไม่แน่นานะนะนะนะส่วนตัวเราเนี่ยนะครับสาระไม่มีเสียนะครับแต่พวกเราเนี่ยอาจยังมีเสียอยู่นะครับ พูดง่ายๆคือการตรวจสอบก็เอาศิกขาสามไปตรวจสอบนะศีล ส, สมาธิปัญญารเริ่มต้นจากการพิจารณาเรื่อง เ, ออเป็นศีลเป็นไงบ้างผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเพียงแค่เบื้องต้นก็ก็เชื่อถือไม่ได้แล้ใช่ไหมถ้าเข้ากล่าวตามปริยัติอยู่ก็เยื่นถือได้แต่ถ้าเขาเอาตามความเห็นของเขาอยู่ก็ยากแต่สมัยนี้นะครับพอมายุคหลังๆมาเนี่ยนะครับไม่กี่ปีมานี้เนี่ยนะครับวิปัสสนาหลายๆสายอ้างคัมภี์กันหมดเลย นะครับแม้แต่เมื่อวานนี่ก็สนทนากับอาจารย์ประโมต์นะที่แม้กระทั่งสับว่าโสสโตวะอัสสตินะครับปัสสติเนี่ยนะมีสติหายใจเข้านะนะมีสติหายใจออกเนี่ยนะครับอ้างเพออ้างแล้วแม้กระทั่งอ้างวิเคราะห์สั์เป็นต้นนะครับก็ไม่มีนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยว่าเออก็ของใครก็ของใคร นะครับเพราะฉะนั้นกรรมมีจริงอยู่หรอกบุญบาสมีจริงอยู่หรอกของใครกับของใครนะครับทีนี้ของเราเนี่นะครับไม่ใช่อัศวินมา้า้าอะไรไปที่ไหนนะครับเขาได้ยินชื่อเราเขาก็ อ, กอักก็อวนเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สังวนปากสังวนคําไว้เะครับพยายามศึกษาเล่าเรียนศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามไปเถอะช่วยขยายความเกี่ยวกับเรื่องในเจริญวิปัสนาในปัจจุบันแล้วก็อดีตอนาคตเนะครับแม่ลม อารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันก็ไปเรียนเรื่องขั น, นซึ่งจะกล่าวต่อไปว่าอะไรชื่อว่าปัจจุบันปัจจุบันมีหลายอย่างนะครับปัจจุบันมี4อย่างอดีตมี4อย่างอนาคตมี4อย่างนะครับจําจแนกอีกในหนึ่งะครับว่าการจําแนกกาละมีอดีตเป็นต้นเพิ่งทราบ ว, ว่ามี4อย่างด้วยสามารถอัตตาอัตตาเนี่พบชาติเลยนะครับสัน ต, ตินะครับคือสืบเนื่องอย่างหนึ่งสมัยนี้อย่างหนึ่งขณะอย่างหนึ่งนะครับสี่คเนี่ยนะอัตตาสันตติสมัยและขณะ ขยายตามลําดับก่อนนะครับว่าในการจําแนกอัฏฐาได้กล่าวมาแล้วอัฏฐาคืออะไรครับอัตตตาอัฏฐานั้นตั้งแต่จุติจิตของชาติที่แล้วถอยหลังเป็นต้นไปอันนี้เรียกว่าอีตอัตานะครับในชาติหน้านับตั้งแต่ปฏิสนธิของชาติหน้าเป็นต้นไปอันนี้เรียกว่าอนาคตอัฏฐาตั้งแต่ปฏิสนธิของชาตินี้จนถึงจุติจิตของชาตินี้เรียกว่าปัจจุบันนอัฏฐา ปัจจุบันนัาอัฐาอันนี้เรียกว่าโดยอัฐานะครับคุยกันเป็นชาติชาติเลยนะครับคุยกันเป็นชาติชาติเลยนะส ร, สรุปง่ายๆว่าชาตินี้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเรียกว่าปัจจุบันนัอัฐาก่อนหน้านี้มานะครับก่อนหน้านี้มาเรียกว่าอตีตาอัฐาชาติหน้าเป็นต้นไปเรียกว่าอนาคตตอัฐาอันนี้ก็โดยอัฐานะครับปฏิจจสมุปบาทนเน้นอัฐานี้ด้วยนะครับอวิชากับสังขารเป็นอตีตาอัฐานะครับ ชาติชรามรณาเป็นต้นไปเป็นอนาคตอาถาตั้งแต่วิญญาณจนถึงกรรมพบเป็นปัจจุบันนะอาถานะครับเพราะฉะนั้นการเจริญนิพพ ส, สนาต้องพิจารณาหมดถามว่าพิจารณายัางไงครับเคยได้ยินไหมพระพุทธพจน์ ท, ที่พงตราดไว้ว่าสัพเพสร้างข้าราอนิจจติญาาปัญญาญาปสติอาธานิปินติดุเขสัมโควิสุธิยาเนี่ยนะครับในคาถาธรรมบทนะครับมขวะ น, นะ ที่กล่าวถึงว่าเมื่อใดบุคคลนะเห็นสังขารว่าเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกคือในทุกในวัฏะนะครับในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในทุกขนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนะครับทีนี้บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยนะสัพเพสังขาราอนิจาร์เป็นยังไงหมายความว่าเออสังขารคือขันห้าที่เป็นอดีตเนี่ยนะครับมันก็หมดแล้วในอดีตชาตินั่นแหละมันไม่เลยมาถึงชาตินี้รอกนะครับใช่ไหมมี มีผมของชาติที่แล้วติดมาด้วยสักอันหนึ่งไหมครับสักจุกหนึ่งไหมมีเล็บสักชาติของชาติที่แล้วเนี่ยนะครับมีฟันมีหนังมีเนื้อมีตระกูลมีอะไรของชาติที่แล้วติดมาสักอันหนึ่งไหมเพราะฉะนั้นมันหมดแล้วในอดีตชาตินั้นแล้วมันไม่มาถึงชาตินี้อะไรหรอกนะครับของชาติหน้านะมันก็ไม่เลยไปอีกนะครับผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นของชาติหน้านะมันไม่เลยชาติหน้าไปหรอกครับมันอยู่ในชาตินั้นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันหมดอยู่ในชาตินั้นแหละนะครับมันไม่เลยไปหาชาต พอมันอยู่ในชาตินั้นแค่นั้นแหละนะครับมันไม่เลยไปหาชาติอื่นๆคือขัน5้าอันนั้นนะครับโดยโดยขันห้าเนี่ยไม่เลยไปหาชาติอื่นที่ถามเมื่อกี้ใช่ไหมผมจุกที่แล้วของชาตินล้วเอามาด้วยไหมนะครับเล็บฟันหนังเป็นต้นเอามาด้วยไหมไม่มีติดมาด้วยเลยมันหมดอยู่ในชาตินั้นๆๆนั่นแหละ แล้วของชาตินี้มันจะมีอะไรติดตัวไปชาติหน้าบ้างไหมเอาตาไปด้วยเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาผิวหนังไปด้วยไหมเอาไปด้วยแย่แน่นะครับเป็นเท่าทารกแน่นะครับพอคลอดชาติหน้ามาเนี่ยนะครับงอกเต็มทีแล้วนะแย่เสียหายเพราะฉะนั้นของชาตินี้มันไม่เลยไปหาชาติหน้ารอกเนี่ยนะครับอันนี้เอาแบบหยาบๆก่อนนะครับที่ว่าไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าแบบอัทธาแบบสุตันตในนะครับนะในบรรดาอัทธาที่ละเอียดลงมาอีกก็เช่นพิจารณาโดยไวันะครับ รูปเอางี้รูปร่างกายตอนหนุ่มนะครับก็ไม่เหมือนตอนกลางคนนะครับไอตอนกลางคนก็ไม่เหมือนตอนแก่บางท่านเถอะท่านไอรูปร่างกายเป็นต้นนะครับความรู้สึกนึกคิดแบบตอนหนุ่มมันก็หมดในตอนหนุ่มนั่นแหละมันไม่ถึงไปถึงตอนกลางคนรอกไอที่กลางคนก็หมดตอนกลางคนนั่นแหละมันไม่ถึงตอนแก่รอกไอตอนแก่มันก็หมดกับช่วงแก่นั่นแหละมันไม่ถึงช่วงเกิดใหม่อีกรอกบางท่านก็หมดอยู่แถวๆนั้นแหละ ทีนี้ถ้าแบ่งชีวิตออกมาเป็น10ปีนะครับสิปีที่1ก็ไม่ถึง10ปีที่2องปีที่2ก็ไม่ถึง10ปีที่3มเอางี้นะตอนที่บวชเนรกับตอนบวชพระก็คนละเรื่องกันแล้วนะครับพระเป็นเทระช่วงสิบ น, นะช่วงสิปีแรกเนี่ยนะครับไปหาพระเทระเนี่ยนะก็อย่างหนึง่งอันนัตั้งแต่สิปีที่2ที่สามที่สี่เป็นต้นก็นคนละช่วงคนละช่วงไปแล้วมันไม่ถึงกันรอกนะครับเหมนท่าปีมาเจอกันหมายเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดนะครับ เปลี่ยนไปหมดนะครับทั้งความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นเถอะบอกเออเดี๋ยวอายุมากๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเองแหละความคิดบางอย่างนะเพราะฉะนั้นการเวลามันก็กลืนกินไปเรื่อยเพราะนั้นมันก็จะหมดในสิ่งนั้น น, น, นะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาที่ละเอียดไปเรื่อยๆจนถึงแม้กระทั่งยก ank, ย่างเหยียดย้ายยันคูเข้าเหยียดออกเป็นต้นนะครับเหลียวซ้ายแลขวาเป็นต้นต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดในชั้นละเอียด แต่โดยธรรมราทั่วไปเขาจะวิเคราะห์ในชั้นหยับๆาบเนี่ยนะครับให้ก่อนเพราะว่าการวิเคราะห์ในชั้นหยับๆาบจะเห็นความเป็นไปของสังสารวัตรเป็นอย่างดีนะครับถ้ามันเปลี่ยนไปหมด10ปีที่แล้วเปลี่ยนไปหมดเมื่อ10ปีอีกต่อมามันก็จำกันไม่ได้ครับวันนี้มันจำกันได้นะคำว่าหมดนี่นะครับคือเคราโครงก็ยังพอมีอยู่นะครับมันคือมันไม่เหลือสภาพแบบนั้นแล้วนะครับเอารูปถ่ายมาดูสิครับ ยิ่งตอนเด็กกับตอนนี้ด้วยแล้วนะครับมันเปลี่ยนจริงๆคนละอย่างเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นตอนที่เด็กๆจริงๆมาเห็นตอนนี้ก็ไม่รู้จักกันแล้วนะครับใช่ไหมเราไม่รู้จักมันก็เปลี่ยนไปเยอะแต่นี้ด้วยบางอย่างที่เขาโครงเป็นต้นดูคล้ายคลึงกันเฉยๆเท่านั้นเองนะครับยิ่งเห็นอยู่ในตอนอยู่ในท้องตอนนี้เลยพลังงานเลยนะครับคนลังงานเลยนะครับนะยิ่งเห็นตอนป่วยกับตอนหายป่วยแล้วคนละเรื่องเลยครับเห็นตอนเด็กด้วยตอนป่วยด้วยนะครับมาเป็นตอนหนุ่มก็คนละเรื่องคนละราวแล้วนะครับ เป็นโยงคนหนึ่งเนะี่ยที่ที่ลูกที่หน้ากุฏิอาจารย์นะตอนเขาปกติหน้าตาก็เป็นไงนะฮะตอนที่เขาป่วยหนักๆอ่ะผมดูแล้วผมจำไม่ได้เลยโอ้โหนี่โยงคนนี้เหรเนี่ยฮะครับโอผอมสิกละองกองไม่มีเขาเดิมเลยครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละครับอันนั่นแหละเรียกว่าไปเที่ยงนะครับการพิจารณาแบบนี้เรียกว่าพิจารณาโดยอาาัตตาซึ่งเป็นแรกเริ่มของการพิจารณาในเบื้องต้นนะครับ น, น, นะนะแม้กระทั่งคําว่าขันเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเขาเริ่มพิจารณาตั้งแต่นี้แล้วค่อยซอยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่นี้ของเรามาจ่ออันละเอียดสุดเลยนะครับแล้วก็เขาโค้งมายังไงก็ไม่ทราบนะครับพิจารณาให้มันเป็นอะไรก็ไม่ค่อยรู้นะครับก็เลยมาเที่ยวจ่อปัจจุบันอย่างเดียวนะครับเหมือนกับจอดักยิงอะไรสักอย่างนะครับทีนี้ก็ทําไปทํามามันก็เซ็งไปหมดนะครับทําไปทํามาหาตั้งกุฏิดีกว่าสบายใจดีนะครับ นี้ต่อไปนะครับด้วยอำนาจสันติสันตินี้ก็ต้องรู้จักสมุธฐานนะครับคําว่าสันตินี้แปลว่าสืบเนื่องนี้สืบเนื่องก็ต้องรู้จักคําว่าสมุธฐานให้ดีนะครับสมุธฐานก็คือเหตุเกิดเออสความสืบเนื่องอ่ะนะรูปทั้งหลายนี้เหมือนกันนะครับเอาเอาอุตุสมุธฐานก่อนนะครับสันตินี้ต้องเอาเป็นสมุธฐานเช่นมีสมุธฐานเดียวกันเป็นสมุธฐานมีอาหารเดียวกันเป็นสมุธฐานแม้กําลังเป็นไปด้วยสามารถเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็น ปัจจุบันนะครับเช่นเอาอาหารเป็นสมุทฐานนะครับสมมติว่าอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยมันให้1อิ่มใช่ไหมครับก่อนที่จะมาอิ่มแสดงว่าหิวมาก่อนเป็นต้นเนี่ยนะไอ้อิ่มนี่มันก็มีอิ่มอยู่ช่วงหนึ่งมันหมดอิ่มมันก็หิวใหม่จะกินใหม่แล้วมันก็เติมไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอ้ตอนกําลังกินมาจนถึงอิ่มมายาวเนี่ยนะครับอาหาร1มือ้ออิ่มได้กี่ชั่วโมงอันนี้1สันติ ก่อนหน้านั้นมาก่อนหิวมานะนะอันนั้นก็หนึ่งสันติอันนั้นเป็นอดีตไปมื้อใหม่ต่อไปที่จะมีอันนั้นเป็นอนาคตนะครับคืออาหารหนึ่งมือสมมตินะสมมติถ้าของพระภิสุชันมือเดียวเนี่ยนะครับหนึ่งมือเนี่ยให้ให้ชีวิตอยู่ยี่สี่ชั่วโมงนะสมมตินะเฉพาะอาหารมือนั้นเนี่ยนะข้าวมือนั้นเพราะหตั้งแต่ว่าตั้งแต่รับประทานเข้าไปเลยเนี่ยจะต้องไปเติมอีกเมื่ อ, อไหร่เนี่ยนะตั้งแต่รับประทานไปนั่นหนึ่งสันติ นะครับพอเติมเข้ามาก็เริ่มสันตติอันใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆนะครับเพราะฉะนั้นอาหารของแต่ละมือ้อแต่ละมื้อก็เป็นโคละสันตติไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผมจะอุปมาขี้เล่านะมันเห็นง่ายดีว่าถ้าแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับมันให้เมากี่ชั่วโมงนะครับดื่มหนึ่งแก้วนะพอมันจะหมดดีกรีก็เติมไปเรื่อยอันนั้นนะครับหนึ่งแก้วก็คือให้ความเมาได้เท่าไหร่นันะ่นแหะเรียกหนึ่งสันตตินะครับ หรือว่าอาหารเช่นยาก็เหมือนกันนะครับฉันยาหนึ่งยาหนึ่งเม็ดเนี่ยนะมันให้อะไรได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วต้องกินยาเพิ่มใหม่อีกครั้งไอยาที่มันทํางานได้ชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะให้พลังงานเป็นต้นให้แก้เจ็บแก้ปวดเป็นต้นได้ชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นเนี่ยหรือเท่าไหร่ก็ตามตามคุณภาพของยา น, นั่นเรียกว่า1สันตตินะครับนะมันเข้าไปควบคุมได้เท่าไหร่เนี่ยนะเหมือนกับวัคซีนป้องกันเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งแล้วมันอยู่ได้เท่าไหร่อย่างไงก็เท่ากับนนาหาารสมุนนะครับ โดยอุตุก็เหมือนกันก็โดยเช่นโดยความเย็นความร้อนเนี่ยนะครับเช่นตอนไข้มันขึ้นน่ยนะช่วงไข้ขึ้นหนึ่งขึ้นนึงก็ยาวใช่ไหมความอบอุ่นของร่างกายเนี่ยนะครับเตโชธาที่มีอยู่ในร่างกายก็คลสันตติไปเช่นความร้อนที่เกิดจากอาหารเนี่ยนะครับอาหารหนึ่งอาหารก็ให้ความร้อนได้กี่ชั่วโมงก็นั่นก็1สันตติไปในลักษณะนี้นะครับเรียกว่าอุตุเดียวกันเป็นสมุทฐานหนึ่งสันตตินะครับก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตอาหารก็เหมือนกัน อันนี้เรียกว่าโดยสันตินะครับหรือว่ารูปทั้งหลายที่มีฤดูและอาหารไม่เหมือนกันเป็นสมุทฐานก่อนแต่นั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตนะครับเท่ากับอาหารหนึ่งมือ้อ1สันติว่างั้นเถอะนะครับมื้อก่อนหน้านั้นเป็นอดีตมื้อหลังนั้นเป็นอนาคตนะครับ